ฟันสูงชาตินี้คงไม่มีบุญเรียกร้องให้เธอสนใจเพราะบ้นบานๆอย่างฉันดูไม่ค่อยมีสไตล์ชากนี้ให้ทำยังไงก็คงไม่ควรคู่เธอรู้อยู่แล้วแต่ขอได้ไหมแค่อยากแอบรักเฉยๆให้ชื่นใจเท่านั้น ชีวิตมันมีชีวิตที่วานนิดหนึ่งรู้ว่าฉันต่ำต้อยไม่มีใครเกินและฉันไม่เคยประเมินตัวเองให้เทียมเท่าเธอฉันไม่กล้าจะเอื้อมมือไปหาเธอก็รู้ว่าต้องเป็นมาที่ได้แค่มองเครื่องบินตลอดไป เืในใจเท่านั้นแค่เมันอคืนข อ, อยืมหน้าเธอไปฝันบ้างให้ชีวิตมันมีชีวิตชีวาหนิดหนึ่งให้ชีวิตมันมีความหวังขึ้นอีกนิดหนึ่งหวังว่าคงเขา ไม่ชื่นใจเท่านัา้นแค่เมื่อคืนขอหยิบน่าเธอไปฝันบ้างให้ชีวิตมันมีชีวิตชีวาหนิดหนึ่งก็ขอได้ไหมช่วยปล่อยให้ฉันแอบรับที่เฉยไปอย่างนั้น